หรือความเป็นมาอย่างไรข้าพเจ้าไม่เคยศึกษาค้นคว้าเลยเพราะเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าไม่สนใจเพราะฉะนั้นข้อความที่เขียนลงในที่นี้จึงเป็นความรู้ใหม่สําหรับข้าพเจ้าด้วยปัญหาข้อแรกที่ข้าพเจ้าได้กราบเรียนถามท่านก็คือสารพระภูมิเป็นบ้านหลังเล็กๆเกยาว่าแต่คนเลยแม้แต่ไก่ก็เข้าไปอยู่ไม่ได้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 ก็อยากจะให้มาสิงสถิตยอยู่ที่บ้านของตัวเองบ้างจึงได้สร้างจำลองเทวลัยหลังเล็กๆไว้ที่บ้านของตัวเองทั้งนี้ก็เพียงแต่เพื่อให้เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของการเชื้อเชิญเท่านั้นคนที่มีฐานะดีก็สร้างได้ใหญ่โตและสร้างได้สวยงามเหมือนกับเทวลายจริงๆส่วนคนซึ่งมีฐานะไม่ดีก็สร้างเพียงพอเป็นสังเขปและต่อมาในเมื่อตอนเองนับถือใคร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 และมีความเชื่อว่าพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วท่านมักจะมาอยู่กับลูกหลานเพื่อช่วยคุ้มครองดูแลลูกหลานความเชื่อในแบบนี้คนไทยมีมานานก่อนนับถือพระพุทธศาสนาเสียอีกเพราะฉะนั้นในเมื่อได้เห็นตัวอย่างการสร้างสารพระภูมิของพวกครามที่เข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยจึงได้รับความคิดอันนี้เข้าไว้ได้โดยง่าย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 ท่านรู้สึกรำคาญข้าพเจ้ามาหลายครั้งแล้วในการที่ข้าพเจ้าใช้คำพูดว่าพวกโอปปปาติกะเมื่ออยากจะได้อะไรพอนึกถึงสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นทันทีท่านบอกว่ามันไม่ง่ายถึงขนาดนั้นสมมุติว่าโอปปปาติกะบางคนอยากจะได้บ้านสักหลังก็ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องได้ในทันที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 ขึ้นมาได้ทันทีป้ารันได้ถึงแก่ ก, กรรมมาเมื่อประมาณเกือบสามปีมานี้ในที่นี้คือ6กกันยายนพุทธศักราช2 5งพัาร้ป้ารันในสมัยไม่ยังมีชีวิตอยู่เคยมาอยู่ที่วัดมห า, าธาตุหลายปีเป็นคนใจบุญชอบอยู่วัดชอบปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนาป้ารันเป็นคนมีฐานะดี มีลูกสาวลูกเขยเป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลอยู่ที่ศีราชาแต่เนื่องจากตัวเองมีนิสัยดังกล่าวจึงชอบมาอยู่วัดและมาในระยะหลังก่อนที่จะตายประมาณปีเศษได้มาอยู่ที่บ้านของข้าพเจ้าและอยู่กับข้าพเจ้าจนกระทั่งตายจากกันไปก่อนที่จะตายปา ร, รันได้บอกข้าพเจ้าว่าอีกไม่กี่วันจะกลับมาการที่ปา ร, รันบอกข้าพเจ้าเช่นนั้น ก็เพราะเป้ารันจะไปให้หมอทําการผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกที่โรงพยาบาลสีราชาซึ่งเป้ารันก็มั่นใจว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างมากก็ไม่เกินสองอาทิตย์แล้วก็จะกลับมาอยู่กับข้าพเจ้าอีกแต่เป้ารันไม่รู้ตัวข้าพเจ้าเองก็มีรู้เหมือนกันว่าเป้ารันไปคราวนี้จะไม่ได้กลับมาเป่ารันได้ตายในห้องผ่าตัด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 ท่านอยากจะรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าจึงได้ลองนึกดูโดยเฉพาะในเรื่องการกินเป้ารันรลอาให้ฟังว่าพอนึกอยากจะกินอะไรอีกสักครู่หนึ่งก็จะมีคนเอาสิ่งนั้นมาให้เป้ารันบอกว่าเป็นอย่างนี้เสมอเป้ารันได้อยู่กับข้าพเจ้าในสภาพที่เป็นโอปปาติกะเป็นเวลานา น, านเกือบถึงปีแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่า อยู่ประจำทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ข้าพเจ้าหมายความว่าป้ารันไปๆมามาที่บ้านข้าพเจ้าเสมอแต่เดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วจากคำบอกเล่าของท่านครูบาสิีวิชัยและจากตัวอย่างของป้ารันดังที่กล่าวมานี้ <c oughs> ก็พอที่จะทําให้เราเข้าใจถึงเรื่องสารพระภูมิและเรื่องการเส้นสวงสังเวยว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไร จึงจะเป็นการเหมาะสมจากเหตุผลที่ข้าพเจ้าเล่ามาให้ฟังนี้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่ได้แนะนำให้ท่านเลือกตั้งสารพระภูมิและข้าพเจ้าก็ไม่ตําหนิท่านที่ตั้งสารพระภูมิเพราะการตั้งสารพระภูมิจะถือว่าเป็นความงมงายซิทีเดียวก็ไม่ได้หรือจะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือแม้จําเป็นก็ไม่ได้เพราะว่ามีโอปปาติกะอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ที่เข้าใจเรื่องของมนุษย์ดีและมองเห็นความจำเป็นของมนุษย์ว่าจะสังเวยแต่และครั้งถ้าจะต้องจัดอาหารกันเป็นการใหญ่หรือถ้าจะตั้งศาลก็ต้องทำให้ใหญ่โตการกระทาเช่นนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะทำได้ทุกวันและทุกคนและอีกอย่างหนึ่งเ ข, เข้าใจดีว่าอาหารอย่างละเล็กอย่างละน้อยหรือบ้านหลังเล็กๆนั้น เป็นแต่เพียงเครื่องหมายแสดงถึงความเคารพนับถือแสดงถึงความปรารถนาดีแสดงถึงความใจบุญซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้พวกโอปปาติกะที่มีจิตใจสูงเกิดอนุมโมทนาจิตมีความเต็มใจในอันที่จะมาอยู่ด้วยและช่วยคุ้มครองส่วนอาหารที่เขาจะรับประทานและบ้านที่เขาอยู่นั้นเป็นเรื่องของเขาเองเมื่อเขามีบุญเขาก็จะได้ด้บุญของเขา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 เงินไม่มีความหมายและไม่มีที่ไหนเขาใช้กันเลยในโลกของโอปปาติกานั้นบุญคือเงินและมีความหมายยิ่งกว่าเงินหลายเท่าในขณะที่เขาเกิดอนุโมทนาจิตอันเป็นกุศล น, นั้นมันคล้ายกับเราได้ปลูกพืชลงไว้แล้วและพืชนั้นก็พร้อมที่จะงอกงามอยู่แล้วยังขาดปัจจัยอยู่เพียงอย่างเดียวคือน้าฝน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 การตั้งสารพระภูมิหรือการทำพิธีสังเวยด้วยอาหารหรือด้วยเครื่องศักการาบูชาอย่างไรก็ตามย่อมมีประโยชน์แก่พวกโอปปาติกะตามสมควรแก่ฐานะแต่ก็อย่าลืมว่าเฉพาะแก่พวกโอปปาติกะที่มีจิตใจสูงเข้าใจเรื่องมนุษย์ดีเข้าใจเรื่องของตนเองดีเท่านั้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสังเวย และการตั้งสารพระภูมิดังที่กล่าวมานี้มีมานานตั้งแต่ดึกดำบรรก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้แต่อย่างไรก็ดีสำหรับบุคคลที่ได้เรียนทางพระพุทธศาสนาย่อมจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโอปปาติกะกว้างขวางกว่าพวกรามหลายเท่าเหมือนกับแพทยแผนปัจจุบันกับแพทยแผนโบราณแพทยแผนปัจจุบันเข้าใจอะไรได้ละเอียดและลึกซึ้งยิ่งกว่า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 มาเหตุผู้อ่านเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วนหลังจากฟังแววเสียงสวรรค์จบแล้วแนะนำให้ฟังในชุดโลกทิพย์โดยเฉพาะเล่มที่สซึ่งท่านอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเทวดาและมนุษย์แจกแจงไว้อีกหลายแง่มุมเพื่อความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับ